بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله ن ل ي ن عظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم ص ل ي و س ل م و ب ا ر ك على نبينا م ح م د وآلِه وصحابته ว man w a l a يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ ت س َ س ْ n ِ ي م ً ا, إ, ن ن ر ر م إ م م ك َ m ِ ي رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّا م ْ ت َ غ ْ ف ِ ل َ ن َ ا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ا ل َْ ا س ِ ر ِ ي ن َ رَبَّنَا لَا ع ِ ن ْ م َ ل َ ن َ ا إِلَّا مَا ع َ ل َ م ْ ت َ ن َ ا إِنَّكَ أَنْتَ ل ْ ع َ ل ِ ي م ٌ ح َ ك ِ ي م رَبِّ ش ْ ر َ لِي ص َ د ر ِ ي و َ ي َِ ي ر لِأَمْرِي و َ ح ْ ل أ ُ ق ْ ر َ م ِ ن لِسَانِي ي َْ ق َ ه ُ و قَوْلِي า assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh หลังจากที่ได้สั่นสอนอัลละฮฺตะลาและขอพรแก่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลมแล้วนะครับวันนี้เราก็มาสู่รายการอันอุตรานเพื่อชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ในสุรัตตุบะอายัดที่เราจะอ่านวันนี้คืออายัดที่94ถึง96นะครับ94 95และ96สามอายัดนะครับ พี่น้องปไปนะครับไปที่สุระตโตบาหรือสุระอันบรารอะนะอีกชื่อหนึ่งว่าสุรัอับาลอะน ะ, อะหรือสุระตโตบาลอ่ะข้อที่เก้าสิบสี่ถึงเก้าสิบหกพี่น้องดูตามไปก่อนนะครับมจะอ่านให้ฟังสักครั้งนึงก่อนนะครับอัลบิลเลยีมีเนชย์อนิรจิน ي ع ت ذ ِ ر و ن, ن َ إ ل ي ك م إذا رجعتم إليهم كلا تعذروا ُِ لنا من لكم قد ت ب أ ن َ الله َُّ من ِ أخباركم َ ว่าจَ ر َบ ل l l ُ h งานขَงคُณَลَรับสุลขَงเขามาถึงรับดูนَ่จَอ่านการลัَและชั้นَาร์ดฟายนับบิอุคุมบีมคุณตุมทำงาน สะย่หลูนบิลอัลลอฮลักม์อิดัลบทุอิลัยห์มลิ ر ูอาริดูอันห์ม์ฟ ن าอาริด ر อันห์ و ์อิน ه ามริจสว่ว่าเจฮนนั ب ِمَا كَانُوا يَقْصِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن ت َ ض َ و ْ ا ع َ ن ه ُ م ْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِكِينَ เรามาดูการอ่านนิดนะครับยะตาจีรุนะยะยะออกเสียงตัวอินออกให้นุ่มนะครับยะยะอันวยะอันวยะตาจีรุนะอีแลกุมนะกุมมิมสุกูลนะครับมิมสุกูลหลังสุกูลมีธรรซะอยู่คนละคํากันอย่างนี้เราเรียกว่าอินหาดนะครับอินาดเชฟวิเราออกเสียงมีมสุกูลให้ชัดเจนนะครับ กุมนะอย่าดว่ากุมดูว่ากุมอีเดรอยยะยะตัวออินออกเสียงให้นุ่มนะครับรอยยะตุมตุม้มมีมสุกูลหลังมี ม, มีหัมซะก็ อ, ออกเสียงมีไม่ชัดเจนที่เดียวกันนะตุมนะเป็นอิทธาชี ฟ, ชฟวีคือเราให้ริมฟีปากมากระทบกันเพื่อออกเสียงมีไม่ชัดตุมอีไลอหิมนะหิมก็ออกเสียงมีไม่ชัดเจนนะครับออกเสียงมีมสุกูลนี่ชัดเจนส่วนยีน ลิขที่อยู่ข้างบนนั้นเป็นอรามัตเป็นเครื่องหมายว่าก๊อนายาอิหมายถึงอนุญาตให้หยุดนะครับนะเราก็หยุดกุลนะกุลและตะตะเรอหันชิดกันออกเสียงให้นิ่มตะอ่าว่าตะอันว่าตะตะรแลนอันนี้นูนสุกูลหลังนูนมีนูนอีกนะครับอันนี้เราเรียกว่าอิดกอมมากุณนะเราก็ ให้มีเสียงขึ้นดังจมูกแลนแลนดังใช้เวลา2องฮเรากันนะครับแลนนุนุทำเสียงออกเสียงให้แข็งนุนุอ่าง อ, า, อนาน ว, า น, วานุอานวานุมีนวแหลากคุมกุม่มมีมสุกูลแล้วก็หลังสุกูลก็มีตะกอบนะหลังมีมสุกูลตัวกอบนี้ก็เป็นอินทรีย์เสพวีออกเสียงมีแมชชัดเหมือนกันนะครับออกเสียงมีแมชชัดเจนนะครับ และกุมกอดะและกุมกอดะอ่านว่าละกุมกอดิอ่านว่าละกุมกอดะกอดะอ่าตัวดารเป็นอักษรกนกอละกนกอล่คือสะท้อนนะครับกอดะอ่านว่ากอดอ่านว่ากอดะกอดะนบบะอนนบบะอลลอนะนัลลอตตฮะอยู่นะคาว่าอัลลอฮดีครับรับสุนญยลละ เราก็ต้องอ่านับาแล้วหรือคำอ้อนร้อนี้ให้เสียงนานับบานัลลอฮอย่างน้อยนับบานัลละนะครับมินนุนสุกูลหลังนุนมีฮัมซะนะแบบนี้เ็ออกเสียงนุนสุกูลในชัดเจนก็เลยอินฮัดันกีหรืออินฮัฮากีกีนะครับมินมินอัคตัวคอออกเสียงกระจากับน้ำเดือดตานมาไวอย่างนั้นครับอัคนะอัคบาริกุม อัลบาลีกุมนะกุมก uh ็ออกเสียงมีชัดนะครับยิมก็เป็นอารามัตว์วก็นะยะอิสอนุญาตในหยุดนะครับวาเซียร์อัลลนะฟัตฮอยู่นารับขึ้ยลละหรือคาว่าอัลล์ก็ตออกเสียงคำอัลล์นี่ให้นะารออย่าอ่านว่ายาลลอ่านว่ายาลอรัลลอุะม a ลั l ุม มีมิซูกูลและมีมิตัวว่าวออกเสียงมีแมชชัดเอ็นเหมือนกันนะครับเป็นอินทัศชีพวีกุมอย่าอ่านว่ากุม อ, อ่านว่ากุมอามัลกุมวะรอสูลูฮฺตัวหะเนี่ยนะครับจะมีวาวลเล็กอยู่นะครับอันนี้อ่านสองฮารอกะนะเขาเรียกว่ามัดซีละซุกรออ่านสองฮารอกะเหมือนกับมัตตบีอันนี้นะครับก็เหมือนกับมีวาซุกุลอยู่ด้วยนะลูฮฺ ซุมมามิมมีมสับดูหรือมิมเช็ดได้เนี่นะสับดูนี้ก็าสับดูน่วงซุมอ่าเราให้มีกุนแะซุมมานะให้มีเสียงขึ้นทางจมูกนะฮะแต่ว่ามันสะเทือนในริมฝีปากซุมอ่มีมีการสะเทือนในริมฝีปากนะครับตัวรถดูนะตัวรถอ่ารถนะฮะตันนี้ก็ออกเสียงสูงนะครับรถดูนะ อีแล้วอีลาก็มีลิปเล็กอยู่อันสองหอัวกระิกมีก็มีลิปเล็กอยู่ก็ออกเสียงกะเหมือนกันสองหอกักระเหมือนกันเป็นมัตโต آ, يل, มีลิมิลิลออกเสียงที่ลามนะครับ ท, ที่ลามที่สุกูลลิลออกเสียงลามยลิ้นนะครับลิไบววั ش, อ, ว ش, ออกเสียงที่ตัวชีน อ, อันนี้เเรียกว่าลามชชมเซียนะออกเสียงที่ตัวชีน ล, ลามไม่ออกเสียงวั ش, ชฮ เราสังเกตชิดได้นะครับวัชชิดได้นี้เราเน้นนะวัชช า, าหานี่มีอลิปเล็กๆอยู่ก็ออกสองสองหัวข้นะครับวัชชาหดาตีฟายูนับบีอุกุมตรงนี้มิมสุกูลเรามีมีบาแต่เราไม่เห็นสุกูลี่ตัวบานะครับเพราะตัวนี้เราอ่านพวบเสียงบานะครับมิมพวบเสียงบาเราเรียกว่าเ อ, อกฟ้าเชพาวีนะครับ อยู่นับวิอุคุมวิมาคุนตุมกุนตุมอนุสุกุลหลังอนุนิตตะอันนี้ก็เป็นอิฟะนะครับคุนตุมให้ออกเสียงนูนควบตานะครับส่วนตุมออกเสียงให้ชัดเจนวินอิทธาชีพวีกุนตุมตาตาออกเสียงให้น่าออกเสียงให้โสดออกเสียงให้ให้นุ่ม ตาแมรุลนะะก็เป็นมัทอาริสุกูลเราจะอ่านสี่เรากันนะครับลองอ่านอายัดนี้กันนะครับอัลลอฮฺบิลเลห์มีนะชะย์โนิรี يعتذيروا إليكم إذا رجعتم إليه ل لا ت ع ت ر و ا ل َ ن َ م ِ ن لَكُمْ قَدْ ن َ ب َ بَأَنَ นแ ل, ل ب ب الله ้วมีข่าว أَخْبَارِكُمْ นางผู้ใหญ่ทั้งُลายَี่มีอำนาจและขุนนาَผู้ใหญ่ที่มีข่าْจากพวกท่านขุนนَงผَูให บ้านั่นพระองคَผู้นั้นผู้ที่รู้ท وَسَيَرَّدُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلَى ِٰ ع َ ل ِ م ِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ <day> <ing> ฟยุนับบิอุคุนบิมาคุนตุมตั a ง a าลูอ่ะดูอายะต่อไปนะครับเสียต่อค่ะเอาเสีย a ให้เล็กนะครับอย่าเอาเสียงอย่าร้องคอแล้วก็เล็กนะเสีย จะยพลิฟ ah ูนัฟ una บลบิลแสระอยู่หน้ารับสัญญาล่ะเราก็อ่านรับสัญญล่ะนี่ให้ให้เสียงบางนะครับเสียงบางหรือเสียงเล็กบิลลาอ่าอนว่าบิลโลนะครับและกุมกุมเนี่ยมีสกูลแล้วมีมีตัวอ่าฮัซะอย่างนี้เราเรียกว่าอินฮชฟบีเราออกเสียงมีไม่ชัดเจนและกุม ให้ริบรมบีปากมากระทบกันแล้วออกเสียงมีไม่ชัดเจนนะครับอีดังกอลับตุมอีดังตรงนี้นูนสุกูลนะครับหลังนูนมีตัวกอบอย่างนี้ก็เป็นอิฟะนะเราออกเสียงนูนควบกับกอบนะครับอีดังให้มีเสียงควบการจะควบเสียงได้เราต้องใช้เวลาส อ, อาขั้นตอนะครับอีดังกอลบกอลบ ตัวบ้าเป็นเป็นอักษร c o n s o n a อักษรสะท้อน c o ออกเสียงะท้อนนะครับอ <c oughs> ีดังกอลับตุมตุมมีมสุกูลเรามีมีหัมซะเราก็ออกเสียงมีมให้ชัดเจนนะครับ <c oughs> ตุมให้ชัดเจนอีดังกอลับตุมอีและหินหิมก็เหมือนกันนะครับมีมสุกูลเรามีมีตัวลามอันนี้ก็ออกเสียงให้ชัดเจนนะครับไอ <c oughs> ้มีอ่า อ, อีเขเรียกอินสหัชพบีนะครับ อิลยหิมลิตูรลิตูรริดูร์ริดูอันฮุมอันนนนสุกูลหลังนุนมีตัวฮะก็ออกเสียงนูนให้ชัดเจนเช่นเดยกั น, น, กนอันนี้เป็นอินทัศฮันกีหรือฮากีกีอันฮุมส่วนซอส ล, ลามนะครับข้างบนนะครับก็เป็นเครื่องหมายว่าวก๊อปเครื่องหมายว่าว่ากอเอ่อวสอลานะวะสอลาหมายถึงว่าผ่านดีกว่านะเดี๋ยวจะหยุดได้ไหมได้นะครับ หย่ก็ได้แต่ถ้าผ่านจะดีกว่าอารีดูอันภูมอ้ออ้อออกเสียงอินให้นุ่มนะครับอารีดูอันภูมอันก็นุนสุกูลัลงนุ่นมีตัวฮ่าออกเสียงนุนในชัดเจนนะครับซอลามกนะ็วัสเอาล้นะถ้ผ่านดีกว่านะถ้าไม่ผ่านก็จะหยุดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ดีก็ผ่านอินน์นะภูมิ อินนาหุม uh, นุนมูชันดาดนะนุนสับดูนะสับดูนี้ก็าเรีสับดูหน่วงนะครับหน่วงก็คือมีกุนะญแจมีเสียงขึ้นจมูกครับอินนาหุมรีจุสถ้าเราหยุดออกเสียงซีนมาด้วยนะครับแต่ถ้าไม่หยุดก็รีจูตันวินวาวก็ออกเสียงที่วาวนะวามะมะ อัมซะออกเสียแข็งนะมะเราอาปากนะเราเสียงอมซะมะวาหุมวานี่มีลิปเล็กๆอยู่ก็อ่าน2องอักวะมะวาหุมหุมมิมสุกูลลงมิมสุกูลมีตัวยีนอันนี้ก็เป็นอิสฮัดเชฟะวีเหมือนกันนะครับออกเสียงมีมชัดเจนนะครับวะมะวาหุมนนยะหนัมยะหันนุนชัดดะดะหรือนุนสัปดูอันนี้สัปดูหนว่วงนะครับก็ใช้เวลา2อก ให้มีเสียงขึ้นทางจมูกอ่ายะฮันนาโมยาสาอันยะสะยะนี่เป็นมัดวายจิบเรา อ, อ่านให้ยาวสักสีหก่ห้เราคะสองเท่าของมัตตบียะสาอันอันนี้ตันวีนหลังตันวีนมีตัวบา้านะแบบนี้เขาเรียกว่าอิกลาบอิกลาบหมายถึงไงครับ เปลี่ยนเสียงนูนให้เป็นเสียงมีน ม, มาควรก็สงสัยว่าเสียงนูนอยู่ตรงไหนก็คืออันอันคือตันวินตันวินก็คือนูนสุกุนนะครับเราครอบเปลี่ยนให้เป็นเสียงมีมนะาา น, นะยะเจนนะแล้วก็ควบบะด้วยนี่คืออีกลาบนะครับอีกลาบยะเจานบีมาแกานูยัก ซิบูนยัซีบูนดอกก้าไม่ใช่นะกอละนะอยกอ่านว่ายักเกอซบูนอ่านว่ายซีบูนยันะมันมีเสียงเอ่อเสีย ง, งฟุนลมนิดหน่อยนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่คนกอละเอาลองล อ, อ่านอนายัดนี้นะคนระับซาญะลิฟูนะบิลลาฮิลาคุมอด قالبتم إليهم ِ ل ِ ت ُ ع ر ِ ض عنهم َ فأعرض عنهم َ إن ناهم رجسوا ما وهم تهنا م ج ا ز بما كانوا ي ب و ن อีกอายัด น, นะครับยะลีฟูนะยะตัวฮ่าออกเสียงเล็กเหมือนเดิมนะครยะลีฟูนะละกุมกุมก็มีมสุกูลหลังมีมมีตัวรามอันนี้ก็เป็นอินทรชพวีนะออกเสียงมีไม่ชัดเจนนะครับละกุมอย่าเป็นวะละกุมะละกุมนะออกเสียงมีไม่ชัดเจนละกุมลีตาร์ตาร์เนี่ยตัวตาเสียงเล็กนะครับตัวรอเสียงใหญ่เวลารอ อ, าร อ, อ่านเราจะอ่านแบบโต๊ะ ต น, นีอ่านว่าตาออกเสียงใหญ่ที่ตัวละตัวรอพอนะครับตัวตานี่เสียงเสียงเล็กลีตบบวโอันฮุมอันนูนสุกูลลังนูนมีตัวฮะเราก็ออกเสียงนูนให้ชัดเจนนี้เป็นอิทธาฮ์ฮักีรักกีกีฟาอินอนูนสุกูลลังนูนมี ต, ตาก็ออกเสียงนูนควบตานะ เ, รเราเรียกอิฟ่านะฟาอินเราจะ ควบเสียงไม่ได้ถ้าเราไม่ใช้เวลานะต้องใช้เวลา2องครั้ฟาอินตารุนตารุนตาร์บูนันฮุมตาร์บูนันฮุมุดอันฮุมอันก็เช่นเดียวกันออกเสียงนุนสุกในชัดเจนฮุมออกเสียงมีไม่ชัดเจนนะครับเป็นอินถาเสภาวีฟาอินนนเชิดหรือนสัดูสดูนี้เขสัดูหน่วงใช่ไเราก็ต้องใช้เวลา2องครั้ ฟาอินนัลลอนะฟัต่อฮะอยู่หน้ารับสัญญาล่ะหรือคำว่าอัลลอฮ์ก็ต้องออกเสียงคาว่าอัลลอฮ์เนี่ให้นานัลลอฮ์ยันว่านั่นแหละนะครับละยะรยะร์ก็เช่นเดียวกันะตัวยะนี่เป็นตัวเสียงเล็กนะรอเสียงใหญ่นะอันเสียงใหญ่ครับรพ่อยาน้อยยออ่านว่ายรลยะโอานิลอานิลเอ่อออกเสียงที่ลามนะครับ ที่สุกูลอันนีกามิลกามิลออกเสียงที่รามเหมือนกันนะที่มีสุกูลฟาซีตีนฟาก็มีอลิบเล็กอยู่ก็ออกเสียงสองอารักนะครับตีนก็ออกเสียงสักสี่นะครับในเป็นมนอลิบสุกูลยาลีฟูเนลกุมลิตราร์ดอันหุม <ت ص> فإن <في ق> ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين เราอ่านอีกครั้งนะครับ You will be a l o n คุณเราไปอ่านอีกหลายๆครั้งนะครับอ่านโดยรักษาหัคลมใจวิทย์นะอ่านโดยไม่รีบนะครับอ่านอันกว่านไม่ต้องรีบนะทุกหรัรบทุกอักษรเราได้หนึ่งผลบุญสิบผลละบุญพตัะนั้นก็เราอยากไปกินอักษรคืออ่านในครบทุกอักษร น, นะครับเรามาดูความหมายนะครับก่อนที่เราจะมาถึงอายัดนี้นะครับเราลองทบทวนย้อนหลังนิดหนึ่งว่าเรากําลังอ่านเรื่องอะไรเพื่อจะได้ มีความเข้าใจที่ต่อเนื่องเลยครับเราอ่านเรื่องอะไรครับือเรื่องย้อนไปนิดนึงเรื่องอะไรครับอืใครยังนึกได้เราอ่านเรื่องอะไรเนี่ยเ ร, รรรเรื่องอันมุนาฟิกูลนะถูกต้องนะครับอ่าถูกต้องบารักาลาฟิกเรื่องอันมุนาฟิกูลนะ คือกล่าวถึงมูนาฟิกูนในสมัยท่านาบีนะครับสนะแล้วทําไมเมื่อนาฟกูนสมัยิทัานาบีมันเกี่ยวข้องอะไรเราเราก็เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าลักษณะของมูนาฟิกูนมันก็ยังมีอยู่ทุกยุคสมัยเพรวันนั้นสิ่งเหล่านี้เราเราเรียนรู้เพื่อเราจะได้ระวังนะอย่าให้เราตกเป็นมุนาฟิกูนนะครับเรามาดูนะครับเอาเรากล่าวถึงพวกเขาว่าเอียตัดีรูนะอิเลกุมอิซารอยะซุมอิเลหินนะฮะ คนมูร์อักูเนี่ยนะที่เราอ่านมาก็เขมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือออกไปกับท่านนาบีอันนี้ในสงครามตาบูกนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องราวเรื่องราวของสงครามตาบูกนะกลุ่มหนึ่งก็ออกนะครับออกไปกับท่านนาบีแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างอะไรที่เป็นผลงานที่ดีดนะกลับมาก็นินทาท่านนาบีในช่วงเดินทางกลับมาแล้วก็ต้องการที่จ ะ, ะคือ ต้องการจะถ้าถ้าสมัยใหม่แ้วฆ่าการอัมพรังนะครับะจะขึ้นไปบนเนืนแต่ในเบลอยากขึ้นมาขึ้นไปแล้วพยายามที่จะให้อุดเรือพาหน้าท่านนาบีพาข้างท่านนาบีเนี่ยนะตะลืดและจะทำให้ท่านนาบีตกมาแล้วก็ทํานจะเสียชีวิตนั่นคือพวกเขาซึ่งเราก็เอาถึงแล้วว่ามีจํานวนสิบสอคนนะซึ่งนี่คือพวกมุนาฟิกินในสมัยท่านนาบีนะต้องการจะฆ่าท่านนาบีแล้วก็พยายามที่จะ ใช้วิธีการนะที่ที่เรียกว่าเป็นอําพลางนะครับพฤกรรอําพลางนี่เปนะ็นะอนัของพวกมุนาฟิกินนะครับนะพวกหนึ่งก็ไม่ได้ไปไม่ออกอไม่ไม่ไปท่านนาบีแล้วก็อ้างอ้างอะไรครับอ้างความจําเป็นอ้างอุปสรรคนะแล้วก็เอาล็อกล่าวถึงพวกนี้พวกที่ไม่ออกนะครับบอกว่ายะดาซิร um ูนะอิเลกุมอิดารยะทุมยะดาซิรูในอิเลกุมเราเอาความหมายก่อนนะครับ พวกเขามาแ ย, ายาดีแรดโอเคมาขออะไรครับมาขอโทษมาขอแก้ตัวมาข อ, อบอกถึงความจําเป็นว่าที่เขาไม่ได้ออกเนื่องจากอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะครับอิซารอยะตุ่มเมื่อพวกเจ้ากลับไปยังเขาอิรันินหมายถึงกลับจากสงครามตะ บ, บุกนะครับพอ ก, กลับไปเนี่ยพวกนี้ก็มาทันทีเลยพวกที่ไม่ออกร่วมกับท่านนาบีไม่ออกร่วมร่วมกับท่านนาบีเนี่ยก็มาหาท่านนาบีทันที แล้วก็มากล่าวถึงอะไรครับอุปสรรคต่างๆที่เขาอ้างนะที่เขาจะอ้างเพื่อที่จะแก้ตัวนะกุลลาตตาจีรูจงกล่าวถึงมาหมัดว่าพวกท่านไม่ต้องแก้ตัวหรืออยากแก้ตัวะลาตตาจิรูพวกท่านอย่าได้แก้ตัวหรือไม่ต้องแก้ตัวลัณนุมินอะไรละกุ่มคํามานุมินนะนุมินอะไรครับอันจะให้เราไม่อีิมั่นกับพวกท่านใช่ไหมไม่เชื่อ เดีนี้คือไม่เชื่อหลันนุบินาลากุมคือเราไม่เชื่อที่พระท่านที่พระท่านเก้ตัวเราก้อนนับบานอัลลอฮุมมินอัคบาริกุมแน่นอนอลัลลอฮ์ตรัสได้บอกให้เราทราบนับบานแปลว่าบอกให้ทราบแจ้งให้ทราบใครเตียงอัลลอฮุมินอัคบาริกุมเกี่ยวกับอักษรอักษรคือเรื่องราวอ่ะอักษรนะคือเรื่องราวของพวกของพวกท่านหมายถึงว่าอลัลลอฮ์ลงมาอยู่มาแล้ว กล่าวถึงพวกท่านแลเราก็รู้ว่าพวกท่านนะคิดอย่างไรไอพวกท่านไม่ต้องแกรตัวว่าไัยาร์ฮวามาละกุมวรสูลูหูและอัลลอฮฺจะมองการงานของพวกท่านและเราสูลของพระองค์ก็เช่นเดียวกันจะมองการงานพวกท่านพฤิกรรมของพวกท่านนะอามาละกุมนี้หมายถึงพฤกรรมของพวกท่านซึ่งมตุรัดูในลาอิลิมินกลยนะภายหลังพวกท่านจะถูกนับถูกนํากลับไปยังพระผู้ทรงรู้ อารีมินเลย์รู้อะไรครับรู้สิ่งที่เป็นความลับวชิฮาดหะอะไรชาดาหด์ก็ตรงกับข้ามกับความลับอคออสิ่งที่ชาดาห์คือคือสิ่งที่เปิดเผยสิ่งที่เราเห็นถ้าเราชาดาหะหม า, รารยถึงเราเรายืนยันอเรายืนยันว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่ชาดาด์นะเราเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคำว่าชาดาห์แปลว่าแปลว่าอะไรครับ ชาฮัดันทิลีปิซยุนเราเรียนภาษาอังกฤษชาฮัดดแปลว่าวชมมองติดตามชาฮัดันมูบาโระชมการแข่งขันอะไรเนี่ย น, นะเอพราะฉะนั้นอาลอบตาลาเป็นผู้ทรงรู้ในสิ่งที่เป็นความลับและสิ่งที่ที่เปิดเผยในสิ่งที่คุณก็เห็นกันนะครับไปอยู่นับวิวคุมบีมาคุ้มตุมตาแม่ลูนและพระองค์จะและพระองค์จะทรงบอกให้แก่พวกเจ้าทราบในสิ่งที่พวกเจ้า เคยกระทําเอาไว้กุลตุมตะมารุ่นะครัเคยกระทำเอาไว้กระทาไว้ในในตอนไหนครับในตอนดุนยาในภพเอาล่อเหมือนตึกลบภพที่ไหนถุกนํากลับมาเอาล่อในในตอนอาคิระองนะแล้วเราจะทรงบอกในสิ่งที่พวกเขากระทาในโลกดุนยาพฤติกรรมของนาฟิกก็ทําอะไรบ้างในโลกดุนยานะครับอ่าอายัดต่อไปนะครับซาญะลิฟูนบินละพวกเขาจะสาบานต่อรับแต่ละกุม อาสาบานอัลลอฮาเพื่อพวกเจ้าหรือให้กับพวกเจ้าเพื่อให้พวกเจ้าได้เชื่อว่าที่เขาพูดเป็นความจริงจะทําอย่างไรคนเชื่อก็อต้องอะไรครับต้องสาบานนี่ก็เป็นเป็ น, ปนสัญลักษณ์หนึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของมุนาฟิกชอบอะไรชอบสาบานในขณะที่บรรดาผู้ศรัทธาไม่ค่อยชอบสาบานเรื่การสาบานคือการอ้างอัลลอฮฺมาเป็นพยานในความบริสุทธิ์ของเราใช่ไหมครับอัลลอฮฺ อัลลอฮฺขวบขัน ลาอิลัลลอฮะมัซละมัซลาินอนเราต่อยต่ออีกนิดครับคืออายัดยาวแต่ว่ามันไม่มีคำอธิบายอะไรมากมายเพราะว่าอายัดมันชัดเจนแล้วก็กล่าวถึงเรื่องพฤติกรรมคอมูลาฟิกซึ่งไม่ได้เป็นไม่ได้มีหูกุมอะไรมากมายนะครับไซฮ์ลิฟูนะบิลลาฮิลากุมอิดังกอลับตุมิไลฮิเพวกเขาจะ สาบานต่อลอตตาลาให้กับพวกเจ้าเมื่อพวกเจ้ากลับไปยังพวกเขาก็คือเมื่อกลับมาจากสงครามนะพวกเขาก็มามาทําอะไรครับมาเก้ตัวแล้วกลัวว่าจะไม่เชื่อก็ทําอะไรครับเพื่อยืนยันก็สาบานแล้วเอาใครมาสาบานเอาลอตมาสาบานนะนะเพราะการสาบานท่านนาบีห้ามเราสาบานต่อมักลุกถ้าสาบานต้องสาบานต่ออะไรครับต่อลอตตา ล, ะตลา่นะเพราะฉะนั้นเอาอลอตตาลามา สาบานเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธานในเชื่อนะรีตัวอาริดูอันหุมเขารีตัวอาริดูอันหุมก็คือเพื่อพวกท่านจะได้เพื่อพวกเจ้าจะได้อ่าหันห่างจากพวกเขาคือไม่เอาโทษไม่เอาผิดพวกเขาก็ทําทไมพวกเขาจึงไม่ออกไปร่วมทาสงครามท่านนับี๊้น ท, ทั้งที่ท่านอบีเรียกร้องนะก็เขาก็แก้ตัวแล้วก็สาบานเพื่อจะได้พ้นให้รอดตัวไปนะเระอาริดูอันหุมอ่ะเราก็สั่งกับ ท่านนับ no ีุลบราหาว่าฟ้อลีดูอันหุมแล้วพวกเจ้าก็หันห่างจากพวกเขาอัลีดูอันหุมคือคืออย่าไปเอาเรื่องพวกเขาอัลีด um? <Yeah. S 1> ูอันหุมค <xic> ือเอ่อเอติกรละหุมอิมัมนะกะซิดแปว่าทําไมที่ไม่เอาเรื่องเพราะว่าเอติกอตละหุมไม่จะเป็นการกลัวพวกเขาจะไม่ให้เกียรติพวกเขาคือไม่บอกท่านสาบานไม่สาบานจะแก้ตัวไม่แก้ตัวก็ไม่ไม่ได้สนใจกับพวกเขาไม่ต้องไปสนใจกับพวกเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาพูด เขาทํามันเป็นความเท็จทั้งสิ้นมันเป็นความจริงนะเพราะนั้นก็เป็นการดเอะใจกอดเป็นการเหมือนกับว่าไม่ให้เกียรติเหมือนกับว่าไม่ไม่ให้ความสําคัญไม่คุณค่าคําพูดของพวกเขาถึงจัตสาบานก็ไม่มีคุณค่านะเพราะว่าสาบานเท็จสาบานโกหกอืมอินนาหุมริจจุสุนนะเราบอกกล่าวสัตว์ตรงนี้ว่าอินนาหุมริจจุนทำไมละ่ะเพราะพวกเขาคือริจจเป็นผู้ที่มีริจจุนครือคุบาสะคุ บ, า, า, บ า, าคือสกปรกนะอะไรโสกปรก บาวาตีนหุมว่าเอติโกนหุ่มอิมันกัซิปบอกว่าสกปรกเนี่ยไม่ใช่สกปรกร่างกายแต่ว่าบาวาตินหุมอะไรบาวาตินบาตินก็คือภายในเขาบอกเขาภายในหมายถึงอะไรครับตับไตไ้พุงใช่ไหมไม่ใช่จิตใจยงพวกเขานะภายในน่ไม่ได้หมาตับไตไ้พุงก็สกปรกไม่ใช่นะจิตใจพวกเขาน่ะสกปรกนะว่าเอติกนที่วะาเอติโกนหุมเอติกนคืออะไรครับความเชื่อเขาบวกเขา ความเชื่อที่เขาจะหลอกลวงอัลลอฮ์หลอกลวงบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งมันเป็นความเชื่อที่มันสปกปลกความเชื่อที่ที่อัลลอฮ์แตาละถือว่าเป็นริจิสุนเป็นสิ่งสกปรกนะแต่ทําไมเราบอกว่าร่างกายของมุนาฟิกินหรือแมงกระตังมุชริกินไม่สกปลกนะกล่ารทีงมุนาฟิกินว่าตัวยิบูกะตัวยุกกอายจัสมาโมหุมใช่ไหมตัวยิบูกะอญยาบมหุมอายจมูโหุมในในในสวนมุนาฟิกูนใช่ไหมนะคือร่างกายของพวกเขาเนี่ย พวกท่านประทับใจหรือดูอดูแลเนี่ยเป็นเป็นคนที่ภูมิฐานน่า ย, ยุง่งยุ่งน่าสาเสริญดูร่างกายภายนอกนะครับเกิดการเอะหยาบเกิดความอะไรเกิดความรู้สึกทึ่งรู้สึกประทับใจนะแต่ว่าจิตใจของพวกเขาเป็นยังไงครับจิตใจของขอิจิสุนสะึกกรกนะองค์การนี้ศึกกรปลกวามะวาหุมและที่อยู่ของพวกเขาในวันอาคคี ร, รักษ์ก็คือยะหันนำนรกยะหันนำ แล้วก็ยหานำอย่างเดียวไม่พออัส h a l t i l a s p มินันนารนะก็คืออยู่ในชั้นต่ำสุดนะของควยนรกคือแทนรนร้อนที่สุดนะเวลาอียอสบิลละอย่าจะอัมบิมาการูยักษซีบูนนั่นก็เป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขากระทำเขากระทำอะไรครับก็คืออัลอาซามันคอตอยาอิมานอินซีบอมินัอาซ่ามันคอตอยาจากความบาปและความผิดต่างๆที่เขาได้ การทำเอาไว้ในโลกดินยาเขาก็ต้องไปรับการตอบแทนในอาเคโรคือนรกในนรกยันนายะลีฟูนัละกุมลิตารุโนัอันหุมพวกเขาสาบานให้กับพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะพอใจพวกเขาหมายถึงว่าไม่โกรดพวกเขาที่พวกเขาไม่ออกไปร่วมรบกับท่านนบดาฮ์และกับพวกท่านพวกเจ้าฟาอินตารุโตอันหุมถ้าหากว่าพวกเจ้าพอใจเมื่อเขาสาบานแล้วเราก็ว่าโอ้เขาจริงแล้ว เขามีความเขามีอุปสรรคจริงเขาพูดจริงเขาไม่ได้โกหกเกิดว่าบรรดาผู้ศรัทธาเชื่อฟาอินนัลลอฮีลาอัลลออานิมโควินฟาซิกินแต่เราแต่ละไม่พอไปถ่ายต่อบรรดาผู้ที่ฟาซิกฟาซิกีนผู้ที่ฟาผืนคําว่าฟาซิกินเนี่ยนะครับคว่าฟาซิกเนี่ยอิหมัมนูกะซีนบอกว่าอธิบายว่าเขาฟาซิกีนนี่คืออะไร ฟาสิกินถึงคอริจีนอันตออติแลฮีอันตออาติฮีวะตออาติรอซูลิฮีถ้าฟาซิกินหมายถึงคนที่ออกจากการตออัลลอฮ์แต่ลาแลตตออัรอซูลของพระองค์นั่นคือฟาซิกเราจรงเรียกว่าฟาซิกเราจึงแปลว่าขวาฝืนหรือไม่เชื่อควังอัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังรอซูลนเรียกฟาซิกท่านบอกว่าฟาอินนันฟิสตอฮวนคูรูชฟอฟิสกุลนั้นแปลว่าคูรูชคูรูคือการออกในที่นี้ไม่ได้ออกจากการเชื่อฟัง ออกจากกาันต่ออันนะนะแล้วก็ท่านก็กล่าวถึงคําพูดอของอาหรับที่ใช้คําว่าอวามินหูอยู่ซ้ำซุ่มมิยัดฟะรอตูบีฟูไยซิกกหนูฟะรอดฟะรอดนี่แปลว่าหนูนะฟะรอตูนี่อันฟะอันฟะรอดเนี่ยคือหนูหนูเนี่ยเขาเรียกวยก่าฟูซิโกนะฟาซิกน้อยๆ ทำไมก็บอกว่าริกรูยี่ฮะมินฮูจิมินฮูจิริ่ฮะลิอิฟซาดลินอิฟซาดเพราะว่าหนูนี่มันออกจากรูมาเพื่อทําความเสียหายออกมากัดกินต้นไม้บ้างมากัดกินพืชพรรณที่เราเก็บไว้บ้างมาทําลายอาหารของเราบ้างจึงเรียกมันว่าวคู้ไวซิกก็นะเรียกหนูว่าผู้ไวซิกก็เพราะมันออกจากรูมาสร้างความเสียหายนะแล้วก็ชาวรับเรียกอลูก อิ alam, นฟาลัมอินฟาลัมสุดที่มันออกจากที่มันหลุดจากาทลายของมันเนี่ยนะเรียกว่าเขากล่าววา่าฟาสตัตติอารรถตบัตูนะรถบัตในที่นี้หมายถึงว่าลูกอินฟาลัมนะที่มันออกนะจากทลายนะที่มันหลุดออกมาจากทลายเรียกว่าฟาซิกก์นะพัะเขาว่าฟาซิกนะี่อแปลว่าผู้ที่ออกนะ ถ้าเป็นคนก็คือออกจากอะออกจากการต่ออัอลลอฮฺรอซูนนะจึงเรียกเขาว่าเป็นฟาซิกนะเพราะฉะนั้ น, นอัลลอฮฺแต่ลาไม่ชอบไม่พอจะพอประทัยกับบรรดาฟาซิกนะคุณมูนาฟิกก็เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าฟาซิกีนนะว่าเราแต่ลาอลละไรนะครับลลก็จบนะสามอายัด น, นะก็เป็นการกล่าวในลักษณะของการเบิดโปงความชั่วด้วยพฤติกรรมของบรรดามูนาฟิก ที่การทากับท่านนาบีและบรรดาผู้ศรัทธานะแล้วก็พฤติกรรมเหล่านี้นะนะก็เป็นบทเรียนสาหรับเราว่าอย่าเอาไปเรียนเบ็ดอย่าเอาไปใชนะ้ชอบสาบานแล้วก็สาบานโกหกนะพูดไม่เป็นความจริงนะสิ่งที่พูดกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจคนละเรื่องกันนะข้างนอกนี่ดูสะอาดสวยงามแต่ในใจเนี่ยสกปรกสกปรกอันนี้ลักษณะของบรรดา มนัสิกนะคนเหล่านี้ที่อยู่วงเขาคือนรกยันนําว่าลร่องยาสบินละอเลาะข่าทำกับเขาไหมไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเขาทำบาปแล้วก็ทําความผิดไว้เยอะนะแล้วก็เขากระทําการหลอกลวงนะหือจะหลอกลวงอเลาะตลาจะหลอกลวงบรรดาผู้ศรัทธานะทำเป็นว่าเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วก็เอาคําสาบานด้วยการสาบานเท็จเอาลับเอาอเลมาอ้างแล้วก็สาบานเพื่อให้คนเชื่อ วันอียะสุบินลาวันพฤกษ์กรรมเหล่านี้เราอย่าไปปฏิบัตินะแล้วก็ขอตอนลาให้ไกลจากพวกเราด้วยอาเมนย่ารับประนันนะครับเราอ่านแค่นี้พอนะครับวันนี้ใครมีรอยไรจะคุยบ้างในเรื่องนี้เรื่องมูนาฟิกก็ยังไม่จบนะในส่วนนี้จะพูดถึงเรื่องมูนาฟิกเยอะในส่วนตัว บ, บ้าง น, นะครับก็อินเชละนะเราก็มาต่อนในครั้งต่อไปก็ขอขอตอบลา ้เราได้เห็นสิ่งถูกต้องเป็นถูกต้องแล้วเอาไปปฏิบัติเห็นสิ่งผิดพลาดอินผิดพาดแล้วห่างไกลด้วยอามีนยารบกนเรอบนตัวอาคิดนาอินนัสซีนะอูอัตวนะรบบนะวะลาตฮมินะเลยนอิสรอมาฮัมนอลาตีนะมินกบนารบบนวะลาตูฮัมินะมาลาตัวตลนาบิวฟุอันนวฟิลลานวรันนอันตะมูลานฟันซุรนาลันกอมินกาฟิรินรบบนาอาตีนาผิดดุนยาสนาหัฟินอคตสนนะอัลบนนา อัล ا ل ل ه ลาห نبي ن ا م ح م د و m m a d آل ه แ و صحاب าที่ ع ي ن سبحان ربك رب العزة أما يسيفون وسلام على النصالين والحمد لله رب العالمين وسلام عليكم ورحمة الله وبركات